จุดมุ่งหวังอย่างอื่นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะมาฝึกตนให้เป็นคนดีตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะอะไรนะจึงมามาฝึกให้เป็นคนดีก็เพราะว่าเรายังไม่ดีพอดีเป็นบางอย่างเฉยๆจะบางอย่างยังไม่ดีให้สํานึกตนอย่างนั้น แม้ว่าผู้นับถือพุทธศาสนาจะอยู่ในที่ไหนก็ตามแหละถึงจะทำความดีอย่างไรมันก็ยังไม่เต็มที่ความดีนั่นนะมันก็ทำดีได้เป็นบางสิ่งบางอย่างเท่านั้นเองก็ขอให้พากันทบทวนดูตนของตนให้ดีมันมีข้อบกพร่องอยู่แต่คนส่วนมากนั้นไม่ค่อยรู้จักข้อบกพร่องของตัวเอง บางคนก็ไปมองแต่คนอื่นเห็นแต่คนอื่นนั้นผิดไปหมดตนนั้นถูกคนเดียวอย่างนี้ก็มีนี่ผู้เช่นนั้นแสดงว่าจิตไม่สงบมีแต่พุ่งออกข้างนอก ม, มองมองไม่เห็นตัวของตัวเองผู้ใด ทวนกระแสจิตเข้ามาได้ทําใจให้สงบลงได้มันก็จะมามองตัวเองเนี่ยนะมากกว่ามองคนอื่นเมื่อมองตัวเองอยู่เสมอมันก็ต้องเห็นข้อบกพร่องของตนเองแล้วก็เห็นความดีของตัวเองไม่ใช่ว่ามันจะบกพร่องไปทั้งหมดเอในส่วนที่มันดีมันก็มีอยู่อันนั้นเรามันต้อง รู้จักสัด ส, ส่วนของชีวิตของเราไอ้ส่วนดีก็ให้รับรู้ว่าเราทำดีมาอย่างนั้นอย่างนั้นในวันนี้ส่วนไม่ดีมีอะไรบ้างก็ต้องกาหนดรู้รู้ไว้ว่าส่วนที่เรายังทำไม่ได้ยังทำดีไม่ได้นั้นมันยังมีอยู่อย่างนั้นอย่างนั้นเราจะต้องพยายามดัด จิตติสใสของเราให้มันดีไปตามนั้นตามคำสอนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่มันก็ต้องกำหนดให้ได้อย่างนี้มันจึงแก้มันจึงแก้ไขปมแห่งความไม่ดีออกจากตนของตนได้ทําไม่รู้สัดส่วนดังกล่าวมานี้แล้ว มันเอามันปนเปกันอยู่ไม่รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีในตัวของเราผู้หนึ่งเนี่ยเมื่อไม่รู้แยกกันไม่ออกอย่างนี้มันก็มันก็ละส่วนที่ไม่ดีนั้นไม่ได้เลยเพราะมันเอาปนกันเข้าไปเป็นอันเดียวกันกับความดีก็ให้พึ่งเข้าใจว่า ไอ้ความดีแบบอย่างที่เป็นโลกียธรรมนี่นะมันปนอยู่กับความชั่วไม่เหมือนอย่างความดีอันเป็นส่วนโลกุตระธรรมอันนั้นเป็นของบริสุทธิ์แท้ไม่มีความชั่วปนอยู่เลยเ อ, อต้องให้เข้าใจอย่างนั้นผู้ดใดเข้าใจอย่างว่านี่ได้มันก็ไม่นิ่งนอนใจเลยพยายามเพ่งค้นหา สิ่งที่ไม่ดีอันอยู่ในกายวาจาใจของตัวเองนี่พยายามสำเหนียกตัวเองเพ่งพิจนารณาตัวเองไปเสมอเสมอไปมันก็รู้อย่างที่ว่ามาแล้วเมื่อเราละมัดระวังตัวอยู่เสมอแล้วมันรู้แหละเราไม่ต้องไปเพ่งเลงไปคนอื่นเลยแม้ว่าจะได้พูดกันมา แล้วหรือแสดงความคิดเห็นอะไรไม่ตรงกันอย่างนี้ก็เมื่อก็แล้วไปเลยเมื่อไม่ตรงกันแล้วก็แล้วไปของใครกับของเราแล้วก็แล้วกันทนี้ต่างคนต่างก็ต้องแก้ไขตัวเองเอาใครไม่รู้ตัวคนนั่นก็ต้องแบกเอาความเห็นผิดไปก็เป็นเรื่องของผู้นั้นเอง ผู้ใดรู้ตัวได้ผู้นั้นก็ปลดเปลื้องความเห็นผิดออกจากตนได้เมื่อต่างคนต่างเรื่องความเห็นผิดออกจา ก, กจิตใจได้แล้วมันไม่ยากแล้วแบบนั้นนะออ ม, มันไม่ต้องเลยเสียงกันหรอกเพราะว่าความจริงมันมีอันเดียวเมื่อต่างคนต่างรู้จริงเข้าไปแล้วมันไม่มีเถียงกันเลยอเวลามันยังไม่รู้จริงอยู่นี่ มันก็เถียงกันอยู่ยงั้นแหะไปก่อนนะ mm hmm. พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงยกอุทาหอนมาไว้เหมือนกับคนตาบอดหกคนครำช้างตัวเดียวนั่นแหลมใครไปจับถูกช้างอย่างไรอวัยวะของช้างนะ mm hmm. ก็ว่าช้างนี่เปรียบเหมือนอย่างโน้น อ, อย่างนี้เท mm hmm. ่นไปจับหางมันถูกหางมันอย่างนี้ อคนที่จับถูกขามันก็ว่าโอ้ช่างนี่เหมือนกับไม้กวาดบ้านนี่นะอย่างนี้แหละเอาไปจับถูกขามันอย่างนี้โอ้ช้างนี่เหมือนกับสูบสูบตีเหล็กนั่นแหละอผมกูไปจับไปไปถูกใบหูมันโอ้ช่างนี่เหมือนก็เหมือนกับกระด้งฝัดเข้านั่นแหละพะว่าอย่างนี้นะ พวตาบอดนั่นต่างคนต่างก็มาเถียงกันอยู่ใครก็ว่าใครรู้จักช้างดีทั้งนั้นเลย เ, เมื่อคนตาดีมาแนะนาให้ฟังทีเออนี่มันถูกกันทุกคนนะั่นหะพวกเธอนะ่ะไอ้คาช้างนะแต่ว่ามันถูกเป็นบางส่วนของช้างมันไม่ถูกทั้งหมด อ, อ่ มันมันช้างนะมันก็มีลักษณะอาการอยู่หลายอ ย, าอย่างนี่เหมือนกับคนเรานี่แหละมันก็มีลักษณะอาการอยู่หลายอย่างอย่างนั้นแต่รวมลักษณะอาการหลายอย่างนั้นเข้ากันเราก็เรียกว่าช้างอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าไอความคิดความเห็นเนื่องศีลธรรม เรื่องความดีความชั่วนี่น ะ, ะผู้ที่ยังตกอยู่ในโลกียธรรมนี่มันก็เห็นความดีได้เพียงบางสิ่งบางอย่างเหมือนย่างเหมือนยังตาบอดไปคลาช้างนั่นเองแหละมันไม่เห็นโดยรอบครอบอเพราะฉะนั้นความเห็นนั้นมันจึงมาถูกได้เพียงบางอย่างบางส่วนแต่ส่วนที่ไม่ถูกมันก็มีอยู่ เป็นอย่างนั้นต่อเมื่อได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้จักแนวทางปฏิบัติแล้วลงมือปฏิบัติไปตามโดยความไม่ประมาทเมื่อความรู้จริงเห็นแจ้งบังเกิดขึ้นในจิตใจแล้วต่างคนต่างเห็นจริงในใจของตนแล้วเมื่อนั้นแล้วก็เลยจะรลง ยุติการถกเถียงกันเลยแบบนี้นะว่าความเห็นของใครถูกต้องไม่ถูกต้องไม่ได้เถียงกันแล้วเพราะว่าความจริงมันมีอันเดียวมันไม่มีสองเมื่อทางคนต่างจริงใจลงไปต่อความจริงอันนั้นแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปนี่แหละคนเราไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดที่มันจะทุ่มเถียงกัน ทเลาะวิวาดกันลงไปนันกระเนื่องมาแต่ว่ามันมันคิดเห็นความดีความชัว่วนันไปคนเราแง่ละมุมกันเอมันไม่รอบครอบทั้งหมดเลยก็เช่นเดียวกันกันกบตาบอดคำช่างอย่างที่ว่ามานั่นเพราะฉะนั้นเมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จงอย่าไปเถียงกันใครเห็นว่าอะไรถูกก็ให้มันถูกไป ไม่ต้องไปค้านกันเมื่อต่างคนต่างได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไปเรื่อยๆไปแล้วปฏิบัติไปเมื่อเมื่อผู้ใดปลดเปลื้องความเห็นผิดนั่นลงได้เกิดความเห็นถูกขึ้นมาเมื่อใดแล้วมันะมันก็รู้ตัวเมื่อนั้นมันแก้ไขตัวเองได้เพียงไป ถกเถียงกันเพื่อจะให้แก้ไขความเห็นผิดที่มามันถูกแล้วไม่มีทางะเพราะว่าต่างคนต่างก็ยังหลงยังเมาอยู่เมาความคิดความเห็นของตัวเองนั่นแหละทุกคนได้พากันเข้าใจอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความเห็นท่านเรียกว่าทิฏฐุปาทานอืมันเป็นอุปาทานอันหนึ่ง มันทำให้จิตใจคลองอยู่ในโลกนี้นี้จากโลกนี้ไปไม่ได้เลยถ้าผู้ใดไปยึดมั่นอยู่ในความคิดความเห็นโดยส่วนเดียวอ้การที่บุคคลจะรู้อะไรรอบครอบได้นั้นต่อเมื่อวางความคิดความเห็นทุกอย่างลงไปหมดแล้วใจสงบลงบัณฑิปัญญาเกิดขึ้น ทีหลังบัดนี้น่ะจึงได้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างโดยรอบครอบเลยบัดนี้ให้พากันเข้าใจอย่างนี้อย่าไปมัวถกเถียงกันให้มันจิตใจเศร้าหมองเปล่าๆไม่มีประโยชน์อะไรถ้าจะว่าตามความจริงแล้วดีก็ดีชั่วกว็ดี มันก็เป็นสังขารธรรมทั้งนั้นแหละหรือว่าเป็นสังคตธรรมเป็นธรรมที่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งใดที่มีปัจจัยปรุงแต่งให้เกิดขึ้นแล้วเมื่อหมดเหตุปดปัดจจัยสิ่งนั้นแล้วก็ต้องก็ต้องดับไปไม่มีอะไรยั่งยืนเลยสิ่งใดที่ไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยปรุงแต่งสิ่งนั้นแหละมันถึงไม่มีมีมีดับ มันถึงไม่มีแปรผันไปไม่มีแตกมีดับท่านกล่าวว่าพระนิพพานนั่นแหะพระนิพพานนั้นปราศจากเหตุปัจจัยอันเป็นเครื่องปรุงแต่งให้เป็นไปต่างๆแต่ว่าไม่มีไม่มีเหตุปัจจัยอะไรที่จะไปตกแต่งพระนิพพานให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีเลยให้เข้าใจการที่เราปฏิบัติธรรมนี่ ทุกคนก็มุ่งต่อพระนิพพานไม่ใช่เหรอนี่ตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนว่านิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งเราเชื่อพระพุทธพจน์อย่างนี้แหละการทำบุญกุศลปฏิบัติธรรมอย่างไรก็ตามเราก็มุ่งต่อพระนิพพานอันเป็นยอดแห่งความสุขทั้งหลาย ถ้าเรามีจุดมุ่งหมายต่อพระนิพพานดังกล่าวมานี้แล้วอย่าไปยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความคิดความเห็นอเราอาศัยความคิดความเห็นนั่นแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นอยู่ในความเห็นในความรู้สึกนึกคิดต่างๆนั้นไอความคิดนั่ น, เ, นเราคิดเพื่อให้รู้แนวทางปฏิบัติเฉยๆนั่น เช่นอย่างว่าเราคิดเอ๊ะทางสายนี้มันไปไหนหนออย่างงี้นะ<ม>พอคิดเพ่งดูแล้วเมื่อหาว่าเรามีความรู้ในเรื่องถนนทางอยู่มันก็บอกตัวเองขึ้นมาว่าทางสายนี้ไปสู่บ้านนั้นเมืองนั้นอ๋อมันเป็นสายที่เราจะต้องไปจริงแล้วถูกแล้วอย่างนี้นะเมื่อรู้อย่นี้ก็ ก้มหน้าเดินตามทางนั้นไปเลยไม่ต้องได้คิดยากแบบ น, นี้นะเพราะรู้รู้แน่แล้วว่าทางนี้เป็นทางไปสู่บ้านนั้นจริงเลยอย่างนี้แล้วเราก็ประสงค์จะไปบ้านนั้นแท้ๆอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีวิตกวิจารณ์อะไรแับ น, นี้ก็เดินเรื่อยไปเลยออันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนานี้เมื่อเราศึกษาสดับตรัาฟัง ให้รู้ให้เข้าใจแนวทางปฏิบัติอันถูกต้องได้ดีแล้วอย่างนี้ต่างคนต่างก็ฝึกคัดปฏิบัติตนให้ตรงไปตามคำสั่งสอนนั้นเลยทีเดียวไม่ต้องไปมัวเถียงกันอยู่ให้ลาบากเช่นการรักษาศีลอย่างนี้นะเมื่อเราศึกษาให้รู้ให้เข้าใจแล้ว ต่างคนต่างก็มีสติสัมปชัญญะสำรวมกายวาจาของตนให้ดีงามไปเรื่อยๆอย่างนี้นะไม่ไม่ให้ความประพฤติ ท, ทางกายวาจาเนี่ยมันล่วงพุทธบัญญัติที่ตนได้สมทานมาแล้วนั่นอย่างนี้มันก็ไม่ต้องไปถามคนอื่นให้ลำบากอีกเมื่อเราได้รู้แล้วนะการรักษาสินคือรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างนี้นะ เมื่อให้ล่วงพุทธบัญญัตินั้นเมื่อเราสำรวมระวังอยู่ไม่ล่วงพุทธบัญญัตินั้นก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้มีสินเป็นผู้รักษาสินแล้วก็จะไปเถียงกันเรื่องสินให้ลำบากทำไมแบบนี้นั่นเนี่ยเรื่องสมาธิอย่างนี้เมื่อเราได้ยินได้ฟังเราได้ศึกษาเรื่องสมาธิว่าการทำใจให้สงบนั้นท่านสอนให้เราทำอย่างนี้อย่างนี้ อย่างนี้นะฮะเจริญกรรมฐานอย่างนี้เช่นอย่างที่แนะนาสั่งสอนมาอยู่นี่แหละอย่างเช่นเมื่อวานนี้ก็ได้สอนให้เจริญสติปัฏฐานสี่อย่างนี้นะแต่ว่าได้หยิบยกเอาแต่กายานุปัสนาสติปัฏฐานเท่านั้นมาแสดงเช่นนี้เราก็พยายามปฏิบัติตามสิ เอาสติเข้ามาตั้งไว้ที่กายนี่บะนี่นั่นนละกระลึกถึงกายอันนี้เสมอเสมอไปอย่างนี้นะเมื่อเราระลึกดูมันแล้วมันก็ไม่เหลือวิสัยนะมันก็เห็นเห็นได้ละร่างกายอันนี้ก็เพียงแต่ว่าเราเราใช้ตาเนี่ยสำรวจดูร่างกายอันนี้อย่างว่าผิวหนังอันมันหุ้มพอ อาวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆอยู่อย่างนี้นะก็พอที่จะรู้ได้นะนั่นเนี่ยถ้าอุปมาอัตภาพร่างกายอันนี้นะอุปมาเหมือนอย่างอันห้องน้ำนั่นเนี่ยให้สังเกตดูห้องน้ำนั่นดูเราดูภายนอกนั่นเนะนี่ยเขาทาสีสันสวยงามเลยสะอาดสะอ้านเลยเีลยวอย่างนี้เนี่ยแล้วทีนี้ ใ, นใครจะไปยืนยันว่าห้องน้านั้นมันจะสะอาด ทั้งข้างนอกทั้งข้างในทั้งหมดจะยืนยันได้หรือไม่แล้วยืนยันไม่ได้มันย่อมสะอาดอยู่แต่ภายนอกเท่านั้นแหละั น, นห้องน้านั่นนะแต่เมื่อเราเพ่งเข้าไปภายในห้องน้ำนั่นแล้วมันจะเห็นในห้องน้านั้นไม่มีสะอาดเลยอย่างนี้นะอุปามาให้ฟัง อัตภาพร่างกายของคนเรานี้ก็เป็นอย่างนั้นเลยแต่ว่าคนเรามันมักจะมองอยู่ดูอยู่แต่ข้างนอกนี่เท่านั้นเองนะมันไม่มองเข้าไปข้างในอะ่ะกลัวว่าความรักความใคร่มันจะจืดชืดไปเสียถ้าเพ่งเข้าไปข้างในนะอ่มันเป็นอย่างนั้นคนเราน่ะเลยเลยไม่ต้องเพ่งกันเลยวันนี้สําหรับผู้ที่เพ่งนั้นน่ะ เนื่องมาแต่บุญกุศลผนหลังที่ได้ตนได้บำเพ็ญมามันมาดนจิตดนใจทำให้มองเห็นสภาพภายนอกนี่แหละก่อนอื่นเช่นอย่าง เ, เราไปเห็นคนแก่ชะลาภาพลงไปอย่างนี้นะมีอัตภาพร่างกายทุดโทรมไปต่งตางๆนานาเหมือนนี้ มันก็เกิดความสังเวชสะหลุดใจว่าแม้เราเนี่เมื่อถึงวัยแก่ชรานี่ก็จะต้องร่างกายนี่จะต้องเป็นอย่างยายแก่คนนี้แหละอย่างนี้นะถ้าไปเห็นคนตายเข้าไปอีกแบบนี้มันก็ยิ่งสะล ด, ดใจลงไปเพราะว่าตนเคยนึกถึงความตายเป็นอารมณ์มาต่ชาติก่อนนู่นเคยสังเวชสะหลุดใจกับเรื่องของความตายนี่มาพอเกิดมาชาตินี้ พอถ้าไปเห็นคนตายเข้าอย่างนี้ก็สะลดใจเลยแม่ตัวเรานี่ก็จะต้องตายเหมือนกันกับคนที่เขาตายแล้วนั่นแหละเมื่อหมดบุญลงไปเมื่อใดแล้วเราต้องตายเหมือนกับคนนี้แหละเออย่างนี่มันได้ความรู้สึกสังเวทใจทําไมหนอะเราจึงมาตายอยู่อย่างนี้จึงมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่อย่างนี้คนผู้มีบุญเนี่ยมันก็เป็นเช่นนั้นแหละ เป็นเหตุให้ทวนกระแสจิตเข้ามาเมื่อเห็นสิ่งภายนอกนั่นเป็นตะขี่พยานมันก็น้อมเข้ามาภายในมาดูว่าตอนนี้ก็จะต้องเป็นอย่างนั้นนี่แหละการเพ่งที่นาดูอัภาพร่างกายตามในสติปัฏฐานสี่นี่ยพระศาสดาทรงมุ่งประสงค์ที่จะให้ผู้เจริญนั้นทวนกระแสจิตเข้ามาภายใน ควรสติให้ระลึกเข้ามาภายในกายนี้นี่จุดมุ่งหมายนะเพราะว่าสตินี่ส่วนมากมันระลึกส่งออกไปแต่ข้างนอกนูนนะ่นมันไม่ค่อยมาระลึกเข้ามาเพ่งดูอัตภาพร่างกายนี้ทีนี้เมื่อเรามีสติเพ่งดูร่างกายนี่เห็นสภาพความจริงของร่างกายนี้แล้วก็เพ่งไปถึงเวทนาเออ น, ปนุปัสนาสติปัฏฐานนี่ว่าเวทนาที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นมันเป็นอย่างไรอะเวทนาแปลวะ่าใจเสวยอารมณ์ต่างๆเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไม่ทุกข์ไม่สุขบ้างท่านเรียกว่าเวทนานี่ อย่างนี้แหละตามหลักสูตรนะวันนี้เมื่อเราจําหลักสูตรได้อย่างนั้นเราก็มาเพ่งดูเวทนาสิวันนี้น ะ, ะเวทนานี่มันเกิดขึ้นในระหว่างจิตกับกายสัมผัสกันถูกต้องกันอย่างนี้แหละพูดเอาอย่างง่ายๆอออืม หายใจเข้าเราก็รู้อยู่หายใจออกก็รู้อยู่เมื่อมันเมื่อร่างกายนี่มันมันวิบัติมันแปรปรวนมากมันก็กระทบกระทั่งกับจิตนี่อย่างรุนแรงทำให้จิตนี่เสวยอารมณ์อย่างรุนแรงเลยไปเรียทีนี่นั่นแหละบุคคลผู้ไม่รู้เท่า จิตใจจึงได้กระวนกระวายไปนี่กระซับกระใสไปพระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าทุกขเวทนานี่เป็นอย่างนั้นให้พึงพากันเพ่งพินิษ ด, ดูลักษณะอาการของเวทนานี้ให้เข้าใจถ้าหากว่ากายกับจิตนี้มันเป็นปกติมันสัมผัสกายกายนี่สัมผัสกับจิตนี่จิตนี่รู้สึก นิ่มนวลไม่โลดโผนแบบ น, นี้นะเมื่อมันรู้สึกนิ่มนวลรู้สึกอ่อนนวลไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็สบายใจไปไม่ไ ม, ไม่ไม่กระทบกระทั่งอย่างรุนแรงอนะ่ะเพราะว่าร่างกายนี้มันเป็นปกติโรคภัยไม่เบียดเบียนอย่างนี้นะหายใจเข้าก็สะดวกดีหายใจออกก็สะดวกดีอันนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่า สุขเวทนาแปลว่าจิตสวยอารมณ์มันเป็นสุขอย่างนี้เนี่ยบัดนี้สุขเวทนาเนี่ยมันก็เป็นของไม่แน่นอนอบางทีจิตมันสวยอารมณ์ไอ้ที่น่าพอใจอย่างรุนแรงมันก็เกิดความปลื้มใจยินดีใจยินดีอย่างแรงกล้าขึ้นมา พระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าโสมณัสสะเวทนาแปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันที่น่ายินดีอย่างยิ่งบางทีกายกับจิตนี่กระทบกันอย่างรุนแรงมากทีเดียวหรือมิฉะนั้นก็อารมณ์ภายนอกนั่นมากระทบจิตนี่อย่างรุนแรงอนะอารมณ์ที่ไม่ดีเรื่องที่ไม่ดีนั่นเอง ก็ทำให้จิตใจนี่เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์เหล่านั้นอย่างรุนแรงเลยข้อนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าโทมนัสเวทนาจิตสวยอารมณ์อันคับแค้นอย่างยิ่งทีเดียวเลยนั่นแหละเกิดที่เราเรียกว่าเกิดโทมนัสคับแค้นใจมากนั่นะ อันนี้ท่านบัญญัติว่าโทมนัสเวทนาให้พากันสังเกตดูให้ได้ทีนี้เมื่อไม่มีเมื่อไม่มีอารมณ์ทั้งสองอย่างนั้นมากระทบกระทั่งกับจิตใจร่างกายก็เป็นปกติอารมณ์ภายนอกก็เป็นปกติความรู้สึกของจิตใจอยู่ภายในนี่ก็เฉยเยเรื่อยไปเลยแบเนี้ เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนี่แหละอันนี้พระพุทธเจ้าก็บัญญัติว่าอุเบกขาเวทนานี่แปลว่าจิตเสวยอารมณ์อันเป็นกลางกลางไม่ดีไม่ชั่วเป็นอย่างนั้นนี่ให้พากันเจริญตั้งสติโยภายในกายนี่แล้วก็ให้เพ่งดูลักษณะอาการของเวทนาห้าอย่างนี้ ให้รู้ให้เข้าใจไว้เมื่อเรารู้แล้วรู้ลักษณะอาการของเวทนาดังกล่าวมานั้นแล้วก็ถามตัวเองดูซิว่าไอเวทนานี้เที่ยงหรือไม่เที่ยง อ, อย่างนี้นะมันก็ต้องตอบตัวเองได้เลยแล้วว่าไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันเป็นทุกข์หรือมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์ มันทนได้ยากทนลําบากเช่นอย่างว่าเมื่อสุขคเวทนาดับไปทุกคเวทนาเกิดขึ้นมาแับนี้จิตใจก็ทนได้ยากแล้วกวนกวา歪 อ, อ, อย่างนั้นเพราะว่าเมื่อได้เวลาได้รับเ ส, สวยสุขคเวทนาอยู่นั้นจิตใจสบาย อ, อไม่เดือดร้อนอะไรเลยอย่างนี้นะ อา้าวสุขเวทนานั้นมันก็ไม่เที่ยงนี่ไปไปมันก็หายไปเอาเฉยๆอย่างนี้นะความสุขอันนั้นนะในวันนี้ความทุกข์ก็เกิดขึ้นมาแทนจิตใจก็ว่าวนะวุ่นวายนะนั่นแหละสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์เมื่อสิ่งใดเป็นทุกข์แล้วสิ่งนั้นเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาแล้วบันนี้ก็เป็นอนัตตาเลย คือไม่ใช่ตัวตนของเราถ้าเป็นตัวตนแล้วไซมันก็ต้องบังคับได้แหละถ้าได้เสวยสุขเวทนาแล้วก็บังคับให้มันได้เสวยสุขอย่างนั้นเรื่อยไปอย่าให้ได้เสวยทุกขเวทนาเลยอย่างนี้มันก็บังคับได้สิถ้าเป็นตัวตนจริงจังนะตนก็จะต้องได้เสวยสุขเวทนาเรื่อยไปอย่างนั้นไม่มีเสื่อม แต่ก็เพราะมันบังคับไม่ได้นั่นนะมันไม่เป็นไปตามใจหวังนั่นแหละเวทนาทั้งหมดนั้นพระศาสดาจึงได้ทรงสอนมาให้รู้แจ้งว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรเลยอันนี้สาเหตุที่จะได้รู้ว่าสุขเวทนาทุกขเวทนานั้นก็เพราะสัญญาเป็นผู้จำ ชัญญาขันนี่นะเป็นผู้มีหน้าที่จําสุขจําทุกข์จำไม่ทุกข์ไม่สุขไว้ในใจอืเป็นอย่างนั้นแล้วสังขารก็มีหน้าที่วิตกวิจารณเรื่องสุขเรื่องทุกข์ที่จิตใจมันเสวยอยู่นั้นนะ่ะวิญญาณก็มีหน้าที่รับรู้เวทนาต่างๆหมู่นั้นนะเช่นอย่ญญางว่า เจ็บตาอย่างนี้นะเวทนาตามันก็เกิดขึ้นเพราะมันมีความรู้สึกคือมีวิญญาณมาอาศัยอยู่ที่ตานี่เมื่อมีละอองธุรีอะไรหรือว่ามีตัวมแมลงบินเข้ามาชนมาตำเอาที่ตานี่นะมันก็รู้สึกเจ็บปวดขึ้นมาเลยอย่างนี้ น, ะนั่นแหละวิญญาณมันอาศัยอยู่ที่ตานั้น มันก็รับรู้สิ่งที่มากระทบตานั้นเลยแล้วก็ส่งกระแสลงไปหาจิตจิตก็รับรู้ว่าเจ็บตาอืมอย่างนี้แหละแม่เสียงมากระทบหูก็เหมือนกันกลิ่นมากระทบจมูกรสกระทบริน้นเอืมสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งมากระทบกายอื <c oughs> ก็เหมือนกันนะมันก็เกิดความรู้สึกขึ้นแล้วก็ส่งกระแสเข้าไปหาจิตจิตก็รับรู้ความสัมผัสทางตาเป็นต้นเหล่านั้นรับรู้ด้วยบางทีก็เป็นสุขสบายดีบางทีก็เป็นทุกข์ไอความสัมผัสต่างๆเหล่านั้นนะอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นนะ่ะ บางทีก็ให้เกิดโทมนัสคับแค้นใจอย่างแรงบางทีก็รับรู้อารมณ์เหล่านั้นเฉยๆไม่ดีไม่ชั่วอะไรเลยอย่างนี้แหละเรียกว่านามธรรมให้เพิ่งพากันเข้าใจไว้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ว่าในสติปัฏฐานสี่นั้น พระองค์ไม่กล่าวถึงสี่อย่างกล่าวถึงจะเวทนาแล้วก็ไปทรงสอนให้ตั้งสติเพ่งจิตนั้นต่ อ, อเมื่อรู้เท่ารู้แจ้งเวทนานั้นแล้วก็ให้มาเพ่งดูจิตนี้บัณนี้ว่าใครเป็นผู้เสวยเวทนาต่างๆเหล่านั้นน ะ, ะมันก็จะเห็นแจ้งลงว่าจิตดวงนี้แหละเป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์ สวยอารมณ์ที่ไม่ทุกข์ไม่สุขอยู่หมดนั่นนะก็จิตดวงนี้เองอ น, น, นแล้วทรงสอนให้เพ่งดูจิตนี้ว่ามันเป็นตัวตนของเราจริงจังหรือหรือไม่ใช่เพ่งดูแล้วไม่มีตัวตนเลยจิตนี้ก็ดีมินมันเป็นนามธรรมามีแต่ชื่อเฉยอ เมื่อเพ่งดูจริงจังเข้าไปแล้วหาตัวไม่เจอเลยนี่ต้องสังเกตดูให้ดีพบแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองพบแต่ความนึกคิดเท่านั้นความรู้สึกก็ดีความนึกคิดก็ดีก็ไม่มีตัวตนขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นความรู้สึกก็เหมือนกันนะเดี๋ยวเช่นรูปมากระทบตา เกิดความรู้สึกในรูปนั่นขึ้นมาในขณะนั้นเดียวเมื่อเสียงกระทบหูเข้าไปเอาก็เบนความรู้สึกไปต่อเสียงน่นอีกแล้วความรู้สึกต่อตานั้นหายไป่ไปเกิดอยู่กับความรู้สึกต่อเสียงแม้กลิ่นลดเครื่องสัมผัสก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยไม่มีอะไรยั่งยืนเลยเกิดแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นอื นี่จิตนี่นะมันรับรู้อารมณ์ต่างๆแล้วมันก็ดับไปอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นนะมันก็เหลืออยู่แต่ความรู้อย่างเดียวเท่านี้แหละดังนั้นพระศาสด า, า, าจึงได้ทรงสอนให้เราเพ่งดูว่าจิตนี้มันก็ไม่มีรูปร่างอะไรเลยไม่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอะไระเป็นแต่ธรรมชาติรู้เท่านั้นเอง ก็ให้เพ่งเข้าไปให้เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นการเจริญสติปัฏฐานนี่นะะอย่าไปเพ่งไปให้เคลื่อนคาดไปจากความเป็นจริงที่พระพุเทธเจ้าทรงสอนไว้เช่นอย่างว่าจิตนี้เขาบอกว่าแต่จิตไม่ใช่ตัวตนเราเขาอย่างนี้นะก็ให้เห็นตามนั้นหมายคขามาอย่างนั้นเมื่อเห็นตามนั้นแล้วมันก็ มันก็จะไม่ไปยึดถืออะไรแหละอันจิตนี้นะนั่นแหละปัญญาเมื่อจะสอนจิตนี้ให้ปล่อยให้วางไม่ให้ยึดถืออะไรเลยเพราะแต่ตัวจิตแท้ๆก็ยังไม่มีตัวมีตนแหละแล้วสิ่งอื่นนอกจา ก, กจิตใจไปนี้มันก็ไม่มีตัวตนเช่นเดียวกันเนะนั่นแหละเมื่อจิตบรรลัตมันรู้แจ้งตัวเองแล้วก็มันก็รู้แจ้งสิ่งอื่นไปด้วยแบบนี้นะ ถ้าว่าจิตนี่มันเห็นว่ามีตัวมีตนอยู่อย่างนี้มันก็ยอมเห็นสิ่งอื่นว่ามีตัวมีตนไปอีกแล้วมันเป็นอย่างนั้นต้องให้สังเกตดูให้ดีเนือดังนั้นเราจึงต้องมาเพ่งดูจิตนี้ให้มันเห็นชัดตามความเป็นจริงไว้ก่อน <c oughs> เมื่อมันเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วอย่างนี้ มันก็เห็นสิ่งอื่นเหมือนกันแหละกับเห็นจิตนี่นะเมื่อมันเห็นเชน้นแล้วอะไรแล้วมันจะไปยึดถืออะไรอ่ะมันไม่มีอะไรยึดถืออะไรแล้วเพราะมันไม่มีตัวตนจะให้ยึดถือแต่ที่มันยึดถือกันอยู่นี่เนื่องจากว่าจิตนี่แหละมันสำคัญผิดว่ามันมีตัวมีตนมันถึงได้ยึดถือเอาไว้นี่นะให้พากันเข้าใจ แลืวว้อบัณนี้ทรงสั่งสอนให้ตั้งสติเพ่งธรรมารมบัณนฑนิตนนะธรรมารมนี่มันก็ไม่ใช่ว่ามาแต่แทงอื่นใดมันเกิดขึ้นกับจิตนี้เองอนะแต่ว่ามูลเหตุแล้วมันก็มาแต่ภายนอกเช่นรูปมากระทบตาอย่างนี้นะจิตมันก็วิตกขึ้นมาเออนี่อันนั้นรูปใคร อันนั้นใครอย่างนี้นะถ้าเราเคยรู้กันมาจำกันมาแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ยากเลยออพ่อนั้นแม่นี้อย่างนี้แหละการที่จิตวิตกขึ้นมาอย่างนี้นะท่านเรียกว่าธรรมารมแต่ที่นี้พระศาสดาทรงสอนให้รู้ ทั้งเป็นปุกลาที่ฐานให้รู้ทั้งที่เป็นธรรมาที่ฐานด้วยปุกลาที่ฐานนั้นให้รู้ว่าบุคคลนั้นชื่อนั้นชื่อนี้สัตว์จําพวกนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ตามที่โลกสมมุติกันขึ้นมาอันนั้นเรียก ว, ว่าเป็นปุกลาที่ฐานยกบุคคลเป็นที่ตั้งดังที่แสดงให้ฟังเรื่องกายานุปัสสนานั่นแหละ ชักรูปเปรียบร่างกายนี่เหมือนกับห้องน้ำนะนะนั่นแหละเป็นปุกลาที่ฐานอันนั้ น, นวันนี้น้อมมาเป็นธรรมาทิฐานเข้ามาแล้วอัตภาพร่างกายอันนี้มันไม่มีอะไรเป็นตัวตนเราเขาเลยวันนี้ น, ะ น, ะนี่เรียกว่าธรรมาทิฐานนะแสดงทำ ร, รวนรว่นเลยวันนี้นะเรียกว่าแสดงธรรมชาติรนุนรุนนะ ถ้าพูดถึงธรรมชาติแท้ๆ แ, แล้วมันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลอยู่ในนั้นเลยมีแต่สภาวิธาตกสพวาวธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองนะอ่าให้สังเกตดูให้ดีเช่นอย่างว่าวัตถุภายนอกเช่นต้นไม้อย่างนี้นะไอเพราะอะไรต้นไม้มันจึงเจริญเติบโตโตขึ้นไปอย่างนั้นได้พริ ดอกออกผลมีใบมีกิ่งก้านสาขาออกไปกเพราะว่าสังขารมันปรุงแต่งนี่นั่นเนี่ยเนื่องจากว่าธาตุทั้งสี่นั้นมันปรองดองสามัคคีกันเข้าไปแล้วมันเลยกลายเกิดเป็นอุตุธาตุขึ้นในที่นั้นบันนี้มันก็เลยเกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาวันนี้เนะอเมื่อธาตุสี่นั้นมันรวมกันเข้าแล้ว มันก็เกิดเป็นพืชต่างๆขึ้นมาเราเลยบัญญัติกันว่าต้นไม้หรือว่าหญ้าเขาวันอย่างนี้เป็นต้นนี่ถ้าทั้งสี่นั้นเมื่อมันรวมกำลังเข้าแล้วมันเกิดมีชีวิตขึ้นมาทำให้เจริญเติบโ ต, ตขึ้นไปได้แต่ไม่มีจิตวิญญาณมีแต่ชีวิต คือความรู้จักเติบโตขึ้นเป็นรูปลักษณะต่างๆรู้จักหาอาหารเลี้ยงตัวเองได้อย่างนี้แหละแต่แล้วที่นี้เมื่อธาตุทั้งสี่ที่มันคุมกันอยู่นั่นมันปองดองสามัคคีกันอยู่นั่นมันเกิดแตกสามัคคีกันแล้ววะนี่บางทีธาตุน้ำมันร่อยหลอไปอย่างนี้ต้นไม้แล้วก็ เหี่ยวเฉาเข้าไปอะ่ะทันทีเลยอถ้าขาดน้าเข้าไปจริงๆแล้วก็ตายเลยแบบนี้อ่ตายยืนเลยอะ่ะมันเป็นอย่างนั้นอันอันสังขารภายนอกธรรมชาติภายนอกมันก็เป็นอย่างนั้นนะให้คนเราได้พิสูจน์ความจริงของมันได้เลยมนิวุฒเข้ามาดูสังขารภายใน อสภาวธรรมภายในนี้อัตภาพร่างกายอันนี้นะบันนี้อัตภาพร่างกายนี้เกิดด้วยเหตุปัจจัยอะไรบันนี้อัตภาพร่างกายนี้มันไม่ได้เกิดโดยอาศัยแต่เพียงธาตุสี่เท่านั้นบันนี้นะเนี่มันอาศัยบุญบาปที่แต่ละบุคคลกระทาออกมาแต่ชาติหนหลังนูนน่อมันติดตามมาบัเนี่ย มันเรียกว่ามันนำจิตวิญญาณนี่ไปเข้ามาปฏิสนธิในคันของมารดามาอาศัยธาตุของมารดากับบิดาผสมกันเข้าแล้วมีบุญบาปนั่นเป็นเครื่องตกแต่งอวัยวะน้อยใหญ่ต่งตางๆให้มีจิตวิญญาณมาครองอาศัยอยู่วันนี้อซึ่งมันแตกต่างจากต้นไม้ไดนวันนี้คนเรานะ่ะนั่นแหละ เพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาแล้วนะมันถึงได้เคลื่อนไหวไปมาได้แบบนี้เพราะมันมีจิตครองมันมีใจครองต้นไม้มันไม่มีจิตวิญญาณครองมันมีแต่ชีวิตเฉยๆคนเรานี่มีทั้งชีวิตมีทั้งดวงจิตอาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้นี่แหละ ให้เพ่งพินิษฐ์ดูให้ดีในทีนี้เมื่อเรามาเพ่งดูตามความเป็นจริงแล้วนะอัตภาพร่างกายนี่ก็อาศัยบุญบาปเป็นเครื่องตกแต่งให้เมื่อหมดบุญหมดบาปอันนี้ลงไปแล้วร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้เลยแม้จะมีอาหารดีๆอย่างไรมาบำรุงบำรเลอมันมันก็คลายหมดเลยมันไม่รับแล้วอคนเราเมื่อเจ็บหนักลงไปแล้ว ในที่สุดก็เหลือแต่น้ำเท่านั้นน้าใสๆเนาะเอาสำรีซุปแล้วมาหยดใส่ปากนันพอไม่ขอแห้งเกินไปเท่านั้นอาหารอย่างอื่นไม่มีทางกลืนไม่ลงเลยนั่นแหละว่าธาตุสี่นะัมันแตกสามัคคีกันบุญที่ทามาแต่ก่อนมันหมดอายุลงแล้วธาตุทั้งสี่อันรวมกันเข้าเป็นร่างกายนี่มันก็จึงตั้งอยู่ไม่ได้เลย แต่ถ้าหากว่าไม่ต้องอาศัยบุญกรรมที่ได้ทํามาแต่ก่อนแล้วอย่างเนี้มันก็อยู่ได้อย่างนี้มันก็ไม่ตายกันเลยวันนี้นะเพราะว่าอาหารการกินอะไรก็พอหามาบํารุงมันได้อยู่นี้ปัจจัยสี่นี่พอหาได้อยู่นี้ผ้าหนุ่งผ้าห่มอาหารการกินที่อยู่ที่อาศัยยุกยาแก้โรคใครใครเจ็บอะไรมันก็พอหาได้อยู่ นั่นแหละเป็นเมื่อเราพี่นามาถึงขั้นนี้นะมันก็จะทําให้คนเรานั้นเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมได้เลยแบบนี้อโอ้คนเราเกิดมามีกรรมเป็นของตนตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นจริงเลยทีเดียวแับนี้อเออเบงันเมื่อมันรู้จริงอย่างว่านี้แล้วเราก็มาพี่ณาดูอีกทีหนึ่งว่า คนเรามีกรรมอของตนนะ่ะมีกรรมอะไรบ้างบัดนี้เมื่อว่าเพ่งดูจริงๆแล้วอย่างนี้มันก็รู้ได้เลยว่ามีทั้งกรรมดีมีทั้งกรมมงกรมชั่วอยู่ในกายในใจอันนี้ อ, อันกรรมชั่ว ม, มาแต่งร่างกายให้บางคนมันก็เกิดมาแล้วมีร่างกายไม่สมประกอบเลยมีวิบัติบกพ่องอย่างใดอย่างหนึง่ง เอไม่สมบูรณ์นั่นแหละไอคนที่เกิดมาแล้วมีอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆสมบูรณ์อันนี้เรียกว่าบุญตกแต่งให้อย่างนี้แหละแต่บุญตกแต่งให้นี่แหละบางทีมันก็มีบาปแฝงอยู่แต่ว่าแบบบาปนั้นมันยังไม่มีโอกาสให้ผลคนผู้เกิดมาก็จึงเจริญวัยใหญ่โตขึ้นมาได้อืม เมื่อมาถึงคลาวกรรมชั่วมาให้ผลแบบ น, นี้นะมันก็มาดนบันดาลให้เจ็บไข้ได้ป่วยลงรักษาอย่างไรก็ไม่หายเอออันนี้เรียกว่าผลแห่งกรรมชั่วมันตามมาสนองเอาแต่บุคคลนั้นไม่เชื่อไม่เคยพิจารณาเรื่องกรรมเหล่านี้ก็ยังไปหาหมอดูหมอเดามามาดูเป็นเพราะอะไร มันถึงรักษาไม่หายหมอดูเขาก็ทายไปตามตำราที่เขาเรียนมาเนี่ยถ้าตำรามันบ่งบอกว่าอ๋อคนมีลักษณะอาการอย่างนี้เนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอย่างนี้มันต้องมีผีเข้ามาแทรกเขาก็ทำนายไปตามนั้นแหละแับนี้อ๋อนี่มีมันเป็นกับผีเข้ามาแทรกนะต้องไปบนผีซ ะ, ะแล้วก็จะหาย เอา้าเลียกผีมันจะกินอะไรพอ ห, หมอก็บอกว่ามันจะกินเป็ดกินไก่กินหมูอะไรก็แล้วแต่มันน่ะบันนี่ก็ไปบนหมออบนผีเนะเออขอให้หายเถอะจะเอามาเลี้ยงโรคอย่างนี้นี่บังเอิญว่ากรรมผู้นั้นมันให้ผลเพียงเล็กน้อยแล้วมันก็หมดไปโรคไัยก็หาย เลยเชื่อมั่นว่าเออเป็นกับผีจริงๆเพื่อนวะก็ต้องฆ่าเป็ดฆ่าไก่ฆ่าหมูอะไรไปเลี้ยงผีเข้าไปอย่างนี้นะเยเป็นอะไรเชื่อผีอย่างถอนตัวไม่ออกเลยแต่ที่นี้บางรายเนะี่ยกำชั่วมันให้ผลไปจนตายนุ่นแม้จะไปบนผีสักกี่ครั้งมันก็ไม่หายเลยอย่างนี้แหละ เพราะว่ากรรมเวรของคนนั้นมันมีมากมันให้ผลเอาไปจนถึงวันตายน่ยมันจึงหมดอายุมันลงอมีอยู่ถมไปไอ่ะไอพวกบนบานสารเก่าพวกนี้แล้วมันไม่หายอ่ะตายกันไปเยอะแยะเลยแต่ถึงกรขนานคนเรามันก็จะไปงมเชื่อกันอยู่นี่น่าท้เลสจริงๆนนนเนี่ยนั่นแหละไม่เชื่อหยุกยาซ้ําเลยนะคนที่เชื่อผีสางนางไม่ะ เหมือนอย่างชาวเขาชาวดอยแต่ก่อนนี้มันเคยขึ้นไปเชียงใหม่ไปอยู่กับพวกชาวดอยเจ็บป่วยอะไรลงมาแล้วก็เอาหาหมอผีมาไปลงผีเท่า น, นั้นเลยอ้อนรอนผีขอให้ผีช่วยให้หายเจ็บหายป่วยเมื่อหายเจ็บไา ป, ป่วยแล้วจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูอะไรก็ว่ากันไปอย่างนี้บังเอิญอย่างที่ว่ามานั่นเนี่ย เอกรรมเวรมันไม่มากไปๆแล้วมันก็หายลงวะนี่ก็ว่าผีออกไปแล้วไปเลี้ยงเอไปเลี้ยงกับผีเข้าไปเนี่นี่เขาอยู่ก็ผีด้แท้พวกชาวดอยนี่นะะต่อมานี่ยังว่าพุทธศาสนาเผยแผ่เข้าไปถึงแล้วก็ทําให้คนเหล่านั้นหายจากความหลงความเมานับถือสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้นไปบ้าง ผู้ที่ที่ยังนับถือจะก็มีเยอะแยอะอันนี้เราที่เกิดมาเป็นอารยชนแปลว่าผู้เกิดอยู่ในสถานที่เจริญรุ่งเรืองด้วยศิลปวิทยาทางต่างๆทั้งเป็นทางโลกและทั้งทางพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระเจ้าก็เน้นนำสั่งสอนว่าอย่างนี้แล้วนะ ไอ้ชาวพุทธเรานั้นไม่ควรที่จะไปเชื่องมงมไงต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกต่างๆที่หมอเขาทํานายทายทักหมุนนั้นมันไม่มีมูลความจริงหรอกอมันสมมุติเอาแต่งเอากันขึ้นมาเฉยๆความจริงผีสังนางไม่อะไรเขาไม่ได้มาเกี่ยวกับมนุษย์เลยต่างคนต่างเกิดมามีกรรมของตนต่างก็เสวยผลแห่งกรรมที่ ตนทำออกมานั่นนะเออก็เหมือนอย่างเราเกิดมาอยู่ในโลกอันนี้แหละอย่างนี้นะเกิดมาแล้วต่างคนต่างก็ทํามาหากินของใครของเราไปเมื่อมีสุขมีทุกข์อะไรเราก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันไปอยู่อย่างนั้นอันฉันใดมนุษย์กับอาหมนุษย์มันก็เป็นอย่างนั้นไะ พวกอมนุษย์เขากดเสวยผลของกรรมของเขาที่เขาทําเอาไว้เท่านั้นเองเนะแล้วมนุษย์เหล่านั้นไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็เลยไปสําคัญว่าไอ้พูดธีปี ช, ชัดเทวดาอารักษ์เหล่านั้นมีอํานาจเหนือตนนะอสามารถทําให้ตนนั้นเป็นอะไรต่ออะไรก็ได้นี่เลยเชื่อกันไปอย่างนั้น แท้ที่จริงแล้วมนุษย์เรานี่นะมีบุญกุศลเหนือกว่าสิ่งเหล่านั้นซ้ําเป็นไรเพราะว่าพวกผู้ผีปีฉาดพวกอะไรหมดนั้นมันไปแต่เพียงเสวยผลแห่งกรรมที่ตนทํามาเท่านั้นมันไม่ได้ทําความชั่วไม่ได้ละความเออมันไม่ได้ละความชั่วไม่ได้ทําความดีอะไรเหมือนอย่างคนเราอ่ะนี่คนเรานี่บุญกุศลตกแต่งมาให้แล้วนะ แล้วมาได้ฟังคําสอนของพระพุทธเจ้านี่ก็สามารถเข้าใจคําสอนของพระพุทธเจ้าได้รู้แจ้งในบาปบุญคุณโทษได้สามารถละความชั่วได้สามารถทำความดีให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นในตนได้และแถมยังแผ่ความดี น, นั้นไปแก่ผู้อื่นได้ตามกําลังแห่งความดีที่ทนกระทำมานั้นแถมยังสามารถ ละอาสวะกิเลสอันหมักดองอยู่ในจิตใจได้มานับชาติไม่ถ้วนแล้วให้น้อยเบาบางออกไปจา ก, ก จ, จิตใจบางท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปจากดวงกินี้ได้จริงๆ อ, อย่างนี้แหละทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะเหตุว่าท่านมาเจริญสติปัฏฐานตามที่แสดงมาโดยลำดับนั่นแหละ มาเพ่งดูรูปกับนามอันนี้แล้วไม่เห็นมีตัวตนอะไรเป็นของว่างจางสั์จากบุคคลเมื่อมันปัญญามันบังเกิดขึ้นเห็นแจ้งอย่างนี้แล้วผู้นั้นอันดับแรกก็ละความชั่วได้เล็ดขาดไปเลยแล้วก็ทำความดีให้เจริญขึ้นในตนได้เลยบนี้ไม่ไปคอยแต่จะให้บุญ กุศลต่างๆมาอำนวยความสุขให้อย่างเดียวตนเองก็ขวันขวายกระทําบำเพ็ญเอาเพราะว่าบุญเก่าที่มันให้ผลนั้นมันก็ให้ผลอยู่ชั่วระยะชีวิตหนึ่งนีเท่านั้นเองแล้วมันก็หมดไปนี่คนผู้มีปัญญาท่านรู้อย่างนี้เด็ดด้านท่านยังได้ทําบุญกุศลเพิ่มเติมเข้าไว้เลื่อยไปในเมื่อยังมีชีวิตเป็นอยู่นี่ เอาเมื่อตอนมองเห็นแล้วว่าความชั่วนี่เป็นเสนียด จ, จันไรต่อชีวิตก็มาเพียรละกำรร ม, มันชั่วนี่ออกจากกายวาจาใจเลยไปเลยวนีอจะไม่เก็บออกก ร, รมชั่วไว้ในใจอีกแล้วเพราะมองเห็นด้วยปัญญาแล้วนี่ว่ามันเป็นเสนียด จ, จันไรมันก่อทุกข์ก่อยากให้อยู่ในสงสารอันนี้ก็เพราะกรรมชั่วนี่แหละอย่างนี้นะนี่มนุษย์เรานะ่ะบุญตกแต่งให้มาแล้ว ย่อมมีสติมีปัญญาสามารถที่จะละความชั่วออกจากตัวให้ได้หมดไปเลยสามารถที่จะทำคุณงามความดีให้เจริญแก่ก้าขึ้นในตนได้เต็มที่เลยทีเดียวจนสามารถละอาสวะกิเลสขาดจากสันดานได้ก็เพราะมาบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติให้สมบูรณ์บริบูรณ์นั่นเองเนี่ยทายกทายิกาก็ ตั้งอยู่ในข้อปฏิบัติคือให้ทานรักษาสินฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาโดยความไม่ประมาทส่วนนักบวชก็เจริญสินสมาธิปัญญาให้ยงออกงามเจริญขึ้นในกายวาจาใจของตนของตนเช่นนี้แล้วก็จะต้องได้รับผลคือถ้าหากว่า ไม่ได้บรรลุมรรคผลในชาติปัจจุบันนี้ก็จะเป็นอุปนิสัยปัจจัยติดตามไปไมไป่ไปเกิดในชาติใดๆก็จะมีแต่ความสุขความเจริญเมื่อได้พบพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งได้ฟังทำคำสอนของพระองค์นั้นสามารถที่จะบรรลุมรรคผลธรรมวิเศษได้ในชาติที่เกิดนั้นนั้น ดังสแสดงมาสมควรเก่เวลาขอยุดติลงเพียงเท่านี้